อันผู้เฒ่าคนแก่นักประวัติศาสตร์สังสันกัลยา กระทำสร้างเพื่อประโยชน์อะไรป่าทึบรกจะตายเป็นที่อยู่ 40 กว่าปีก็เราพระเทศข้ามมาสู่สถานที่ ในวาระสุดท้ายของมันอีกด้วยทั้งอากาศ อาทินเปว่าความคิดเช่นนี้อาจเป็นของเลื่อน ผมจะมาขอพักพรอยู่กับคุณเรื่องการก่อ แต่ผมไม่หามีผู้ให้ก็เอาไม่มีผู้ให้ก็ พากันมาสร้างกุฏิไม้ถวายคนละหลังคิดเป็นมูลค่าบาทนางดวยได้สร้างกุฏิอุทิศให้นาง ได้ลงเรือมาเยี่ยมลงเรือมาเยี่ยมเมื่อมาเห็นสถานที่และสภาพความเมเม 17 เมตรกว้าง 11 เมตรข้าง 19 เมตร 50 ซม. เมกว้าง สิทธิ์เรียบร้อยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2510 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 80,000 บาทเศษแรงงานพระเนนพากันทําเองพระคําพันป่วยเจ็บตา อำเภอพังโคนจังหวัดสุคนคร 7,000 บาทพร้อมกันหนีได้ทํา 4 ห้องโดยทุนของวัดเมื่อพุทธศักราช 2511 11 เมตร กว้าง 3 เมตรสูง 1.80 ซม. สิ้นเงินไป 15,000 บาทเมื่อพุทธศักราช 2512 ได้สร้างกุฏิ 2, ได 2 ชั้นที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงโดยทุนของคุณนายศัพท์สีมุกติบาทนอกนั้นเป็นทุนบาท โดยทุนของวัดอันหนึ่งเท่าแก่กิมกายเอียสกุลได้มีศรัทธาสร้างกุฏิไม้ถวายอีก 1 หลังสิ้นเงินไป ซึ่งเป็นประมาณ 20,000 บาทเมื่อพุทธศักราช 2513 นายวิสิทธิ์วงสุวรรณโรงบาทปีนี้ได้เกิดพายุลมพัดบาทโดย ในปีเดียวกันนี้ปีเดียวกันนี้ได้สร้างทั้งเก็บ 3 เมตรยาว 6 เมตรสูง 2 เมตรที่บ้านฌีเมเม 1 หลังที่กุฏิ 1 หลังโดย 5 เมตรฟ่าง 4 เมตรสูงเมตร 20 ซม. เมทั้ง 2 ถังสิ้นเงิน 20,000 บาท หน้าสารากรเปลี่ยนซึ่งเงินไป 5,000 บาท 30 รูปจากนครราชสีมา 5 วันเมื่อพุทธศักราช 2514 ทางวัดได้ 20,000 บาทและ บอยบ้านพักแคงอีกหนึ่งหลังแข็งอีก 2 ห้องบ้าน 10 เมตร 40 ซม. กว้าง 5 เมตรสูง 2 เมตรซึ่งเงินไปประมาณ เราวันที่ 5 กรกฎาคมซึ่งเป็นอยู่ก่อนแล้วเข้าบรรษาเราประเทศที่ฝรั่งเศสได้ ได้เอารถมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองคายโปษากิษณ นายแพทย์อุดมเมื่อได้ทราบดังนั้นจึงให้นิมนต์ไปฉะนั้นจึงจําเป็นต้องไปกรุงเทพฯ ส่งที่โรงพยาบาลสิริล้านเรา ออกจากช่องปอดเป็นจํานวนมากในอาทิตย์แรกอาการของ 2 เริ่มแพ้ยากระเมกาญอย่างอื่นเกิดแสงแสงขึ้นอาการทินที่สุด โมเด็มดูดเอาน้ําออกจากช่องปอดอีกเป็นจํานวนมากอาการของร่างกาย 15 สิงหาคมพุทธศักราช 2514 ตอนนี้เราหิ่นโทษเบื่อหน่ายในร่างกายมากโรคกายข้อ คุณกันทรัตร้องไห้ไม่ตามแพทย์หญิงชวดีรัฐพงษ์ได้ไปเชิญคุณมาเพราะคุณเราพระเทศได้รออาการของลูก คนออกจากโรงพยาบาลคุณหมอบัญญัติปริจยานนท์ได้มาตรวจอาการคนคน 5 เมื่อศาสตราจารย์ในแพทย์อุ่ยเก๋ซิงไปเยี่ยมเราขอความเห็นถ้าคุณหมออุ่ยว่าอาตมาจะกลับวัด แก่กิมก่ายได้เหม่าเครื่องบินพิเศษของเรามีพระและญาติโยมตามมา คบวายาประจําราว 5-6 วันเห็นว่าเรามีอาการดีขึ้นและปลอด ตลอดถึงประชาชนทั้งที่เราเคยรู้จักและไม่ เพียงแต่ขอกราบอยู่ข้างนอกก็มีจึงเป็นที่แปลกใจมากทีเดียวว่าฉะนั้นเราจึง อันมิเกเราไว้ในความทรงจําตลอดเส้น การกลับไปกลับมาเป็นการ 3-4 ชั่วโมงก็มี อาการโรคทั่วไปค่อยดีขึ้นเป็นลําดับผู้ที่ครอบนําถือต่างก็พากันมาเยี่ยมพรรษานี้เรายอมขาดพรรษา ร่างกายได้โรคภัยของเจ้าเจ้าจึงมอบให้เป็นธุระสบายปราศจาก แม้ไปเราก็บอกว่าโรงพยาบาลศิริราชหมอมหาธรรมอาการ <ín> <t ín> <t ín> เราจริงELL.ละลึกถึง欢มยอมสละตาย โกรงเราแต่เบื่องทนวาร. เราได้ยอมสละตายแล้วไม่ใช่ครับทำไมกิดไปยุ่งเกียวกับเรื่อง PHAN's นี้เรื่องเหล่านั้นเขาก็ยมไปตามการเวลาหน้าที่ของเขาตั้งหากภ snoanal หาดีเกียวค้องกับเรื่องเหล่านั้นไม่ตอนนี้ ความรู้สึกของเราที่ยอมสละเรื่องต่างๆแล้วเข้ามาสงบอยู่ในเรายังไม่แตกดับก่อน ยังมีอยู่มีอยู่จําต้องกระทบกับบรรรมภายนอกอยู่ พรรษา 51 และ 52 กัสสีนาสนะวังน้ำหมอกตรงกับปีพุทธศักราช 2516 และ 2517 ได้ช่วยย้ายโรงเรียนเก่าบ้านโคก 80,000 เพราะหมดทุนแต่ยังไม่เสร็จพระมณฑลมาพุทธศักราช 2517 7 เมตรกว้างเม 6 เมตรสูง 2 เมตรขณะที่ ที่ป่าบางน้ำหมอกซึ่งใกล้จากที่วัดหินหมากเพิงเขาและเป็นที่วิเวคดีอยู่น้ำ พรรษา 53 สร้างวัดลุมพินีตรงกับปี 3 ไร่แล้วมี 11 12 ไร่ ที่นี่ตั้งเป็นสถานที่พักวิเวกอีกแห่งหนึ่งวัดลุมพินีนี้ไม่แพ้บางน้ำหมอกที่ได้สร้างมาแล้วเพราะมีอนาเขตจดแม่น้ำทั้ง 4 ทิศสร้างไว้เพื่อผู้ต้องการวิเวกไปอยู่เนื่องจากที่วัดหินหมากเป้งบางคราวไม่มีความสงบตั้งแต่พุทธศักราชมารู้สึกว่าคนทางภาคกลางสนใจมาสมาคมกับวัดต่างๆทางภาคอีสานมากขึ้นเป็นลำดับ วัดในปี 2018 นี้สมเด็จปัจจุบันสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ ซึ่งได้ประสมภพที่วัดบวรนิเวศกรุงเทพฯๆของเมืองไทยหลายแห่งได้ได้ส่งประจํา ตรงกปีพุทธศักราช 2519 ถึง 2520 การไปต่างประเทศ นอกจากนั้นเราเองยังต้องการที่จะ ยังอุตส่าห์ไปเมืองนอกกับเขามีน้ำสัมภาษาของคือ 1 การไปใน 2 ต้อง ขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา 3 ต้องรู้จักการอาชีพใน ให้ผมรู้ผมเข้าใจแก่เราเป็นอย่าง หาที่ตายได้ขนาดวัดอยู่ๆแม่ชีชวนอินโดนีเซียเพราะเธอเห็นว่าเราแก่แล้วอยู่วัด การไปต่างประเทศเมื่อไม่รู้ภาษาของเขาย่อมเป็น เขาจะหาว่านิมนต์ไปแล้วไม่ช่วย เราได้พิจารณาแล้วมีเหตุผลที่ 130 กว่าล้าน 10 กว่าล้านในอิสลามคิดโดยมิได้ ทำให้เกิดความสงสารชาวอินโดนีเซียมากแล้วยังได้ทราบว่า ออสเตรเลียก็มีจํานวนมากก่อนเข้าพรรษาปีนี้พระดอนซึ่งเป็น เธอบวชมานานได้ออกไปเผย เรารู้ที่เสมอว่าต่อไปพุทธศาสนาจะเผยแผ่ไปในนานาชาติมากขึ้นและอาจเผยแผ่แบบบาดหลวง ของพุทธศาสนาออกไปเผยแพร่เองนั่นแหละจึงจะได้กันเมื่อครั้ง เมื่อพิจารณาดูถึงเหตุผลทั้ง 3 ประการดังก็มองเห็นคุณ แท้จริงมีคนกรุงเทพฯหลายคนหลายหมู่ได้เคยมานิมนต์ให้เราไปอินเดียเมื่อมาพิจารณาดูเหตุ อินเดียเป็นที่อุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนาเมื่อเราเกิดไม่ทัน และปูชนียวัตถุให้ราบเรียบไปเราอาจเป็นคนหนึ่ง แก่สาธุชนเป็นอันมากเมื่อ ไปทำประเทศครั้งนี้ได้มาพักณที่พักสงฆ์ส่วนของพลนกาโทภโยม แย่งเหมือนเหมือนกับมนุษย์ทั่วๆไปนั่นเองจึงอยากจะสร้างตนเองให้ได้เป็น มีพระโสดาเป็นต้นท่านเหล่านั้นเราพระเทศน์ที่รังสิเป็นพระ เรามีความรู้สึกเหลี่ยมๆตัวเองเหมือนกันแต่มันเข้ากลับ แต่เขาพยายามสร้างแต่ความดีเขาพยายามสร้างแต่ความดีดำรงความเจริญ ศิลปะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้รู้จักของธรรมชาติจึงเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ทั้งสมัยดีที่สุดนักศึกษาที่ดีทั้งหลายย่อมมุ่งแสวงหาความรู้ที่เป็นสาระอันจะนำเอามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนคนนั้นมิใช่มุ่งบุคคลว่าจะอยู่ในฐานะและภูมิชั้นใดก็ตามอย่างสมัยดีครูสอนสิทธิ์มีความรู้สูงสูงแล้วสิทธิ์ กลับมาสอนครูอีกก็มีเอาความรู้นั้นนั้นมาสอนครูอีกก็มีไม่เหมือนสิทธิ์ ถึงสิงคโปร์ประเทศแรกคณะเราอันมีพระสตีเฟนพระชัย 7 พฤศจิกายน 2519 ถึงสิงคโปร์ใน สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆอยู่ๆ3 ลาเศษเพราะเนื้อที่น้อยฉะนั้นเขาจึง ก็เหมือนเหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วไปใน ที่ปรโลกของได้ระบบคอมมิวนิสต์ก็โฆษณานักหนาว่าประชาชนปรเม็งของเขาอุดมสมบูรณ์ไม่เดือด ดวงมีเมตตาปรารถนาหวังดีกิเลสปิดบังห่อๆ ตึงแยกออกมาจึงไม่รวมกันกับมาเลเซียเพื่อจะได้เป็นประเทศๆให้เป็นปึกแผ่นนั่นนาเมื่อไป สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กมีพลเมืองหนาแน่นอาจมีรายได้ดีกว่ามาเลเซียและผู้คนก็ปกครองง่ายกว่ามาเลเซียแต่ถึงอย่างไรก็ตามสิงคโปร์ก็ยังต้องอาศัยวัตถุดิบเช่นไม้เป็นต้นจากมาเลเซียอยู่นั่นเองน้ำเป็นปัจจัยสำคัญ เมตนาบริโภคและงามชัยก็ต้องอาศัยต่อท่อไปฉะนั้นมาเลเซียกับสิงคโปร์ถึงแม้จะแยกกัน และมีมากพอแกรถราจะวิ่งไม่คับคั่งทั้ง นโยบายแผ่สูงสูงขึ้นบ้านช่องเขาปลูกมีระเบียบเรียบร้อยน่าดูริมถนนและระหว่างบ้านต่อบ้านเขา เขาจะปลูกต้นไม้ลงและทำลานจอดรถว่า สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กพลเมืองหนาแน่นอย่าเพิ่งเข้าใจว่าจะไม่มีป่าเลยแม้แต่ในเมืองก็ยังมีป่าดงดิบอยู่ทั้งนี้เพราะเขามีป่าน้อยเขาจึงรักป่าและพันไม้และสมมวนไว้ดังกล่าวแล้วสิงคโปร์เป็นเกาะ จึงทําความสะอาดได้ง่ายกว่ากรุงที่มหานครของเราประจวกกับพลเมืองก็เอาใจใส่ช่วยกันรักษากฎหมายบ้าน เมื่อมันเป็นอยู่เช่นนั้นแล้วคนเราไปอยู่สะอาดได้อย่างไรเรานอกจากทุกๆคนที่อยู่ ประเทศจะ 1, 1. ภูมิประเทศที่ 2 หัวหน้าผู้บริหาร 3 พลเมืองช่วย 4 ผู้บริหารตั้งอยู่ในยุติธรรมถ้า จะทําให้สะอาดสมบูรณ์เหมือนสิงคโปร์ไม่ได้เด็ดขาดเพราะ มวยก็โจมตีกันอย่างสาดเสียไร้เราประเทศได้ทุกๆคนทุกๆคืนคืนละ 3 ชั่วโมง มีคนมารับการอบรมคืนละ 20 ถึง 30 คนๆไป เมื่อ 1 ปัญหา 2 ปัญหาที่พึ่งทางใจ 3 ปัญหาเรื่องเมื่อมีโลก ก็ต้องมีปัญหาโรคแต่เป็นธรรมดาเมื่อเราผูเองก็ต้องแก้ เมื่อเราหลงเหยื่อจนเบ็ดเกี่ยวปากแล้วยิ่งดินก็ คนเราเมื่อยังมีหวังอยู่ๆจะฮึกเท่าไหร่ดิ้นเท่าไหร่เมื่อเชือก แล้วใจก็จะสงบสุขนั่นแหละจึงจะได้ ประกอบภารกิจงานใดๆอยู่ก็ 3 เรา ถึงข้อ 1 และข้อ 2 จนได้เห็นว่า ใครจะอยู่ด้วยความทุกข์อย่างไรก็อยู่ไปโดยอิสระเสรี เป็นเพียงมายาเท่านั้นอันหนึ่งเราเองก็ไม่ได้นึกได้ถือฮินดูบ้าง คงยังได้แต่เห็นแท้ของสัจธรรมเป็นที่น่าชื่น ไอ้ประเทศออสเตรเลียเราประเทศเทียบรังสิ 17 พฤศจิกายนแวะลงพักที่เพิร์ทเป็น รยปุธสมาคมนิมนต์ให้ไปอบรมศีลธรรมทุกแห่งไม่ว่าไทยลาวพม่าศรีลังกาฝรั่งมังค่าได้ให้การต้อนรับณวดีเลิศคณะเราขอขอบพระคุณท่านเหล่านั้นไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง ระวังอยู่เพศมีสวามีมาเยี่ยมสวามีหมายถึงนักบวชละตินฮินดู อายุก็ได้ราว 76 ปีพอดีท่านมานั่งเราอยู่ที่ห้องรับแขก รูปธรรมเป็นท่านเองท่านได้บอกว่าท่าน สงฆ์สวามีอีกคนหนึ่งแต่คนอายุ 81 ปีแล้วแต่รูปร่างหน้าตาน่ารักมาก มึรสวามีคนก่อนเขาบอกว่าพอเห็นเราแล้วเมตตามากมือทักทายและแสดงความดีใจซึ่งกันและกันพอสมควรแล้ว มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นศาสดาของแต่ละศาสนาลูนอาจารย์ต่างๆใน เขาเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในละตินดูและเป็นผู้ยอมสละทุกๆอย่างกินดูศาสนิกชนทั้งหลาย ลากินเดินในกำปูทของกันและกันแล้วก่อนเขาจะลากลับ ตัววามีทั้ง 2 นั้นถึงคนหนึ่งบวชเป็นพระอีกคนหนึ่งไม่ได้บวชก็ตามแต่ละธิวิธีเข้า มารึกถึงพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ๆขึ้นที่ใจพระเจ้าจะ ศูนย์สวามีคนที่ 2 ไม่ได้บวชก็อธิบายเหมือนกันแต่เขาว่าคงบริกรรมๆมาสอนหรือมีแต่เสียงมาสอน สิ่งที่ควรจะเป็นสาระนักสนใจในศาสนาทั้งหลาย ก็ทำความเชื่อมั่นแน่ๆว่าพระเจ้าเค้ามีแต่ไม่เห็น สิริตอกสงพันดวดสุมบําเพ็ญจำรักกิเลสในใจจนบรรจบบริสุทธิ์ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะคุณธรรมทั้งหลายแต่แล้วน้อมเอา เมื่อตั้งใจมั่นอยู่ในความดีเหล่านั้นแน่วแน่เต็มที่แล้วอาจเกิด พระธรรมเป็นของไม่มีรูปร่างผู้เห็นผู้ฟัง สารกิจชนของตนของตนละชัวทําดีน้อมจิตเอาคุณงามความดีของพระเป็นเจ้ามาไว้ที่ใจของตนหรือเอาจิตของตนให้ๆศาสนาศาสนิกชนของศาสนานั้น ตนนั้นเพื่อให้ฝ่ายของตนเด่นแล้วก็หาเรื่องโฆษณาโจมคนได้คํานับถือฝ่ายตนให้มาก